ก <c oughs> ็ขออำนวยพรนะกับการที่ทุกท่านได้มาตั้งใจมาปฏิบัติธรรมในท่ามกลางวิกฤตใน้นั่งตามสบายคอร์สนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคอร์สพิเศษหลังจากที่มันอันอั้นกันมานานอื ไม่ไม่มีโอกาสไปที่ไหนก็เขาปิดหมดมีของเรารอบนี้ก็มีมาตรการพอสมควรแต่ก็อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นว่าเราจะปล่อยให้มันอยู่ภายใต้ความกลัวของโควิดอย่างเดียวไม่ได้หรอกอยู่ภายใต้โควิดก็คืออยู่ภายใต้ความกลัว ถ้าเราให้ชีวิตเราอยู่ภายใต้ความกลัวความกลัวคืออะไรความกลัวคือกลัวเจ็บกลัวแก่และกลัวตายนี่คือความกลัวกลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายกลัวความพลัดพรากนี่คือความกลัวไอ้โควิดมันทำอะไรเราได้แค่นี้แหละมันทำให้เราเกิดความกลัวทีนี้เราจะป้องกันตัวดีแค่ไหนเราก็ หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บและความตายเราอาจจะรอดจากโควิดแต่ว่าเราจะรอดจากความแก่ไหมไม่รอดเราอาจจะรอดจากโควิดแต่เราอาจจะเราจะรอดจากความเจ็บป่วยไหมไม่รอดเราอาจจะรอดจากโควิดแต่เราจะรอดจากความตายไหมก็ไม่รอดก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นเราจะเอาแต่ความกลัวแล้วไม่ไปทำอะไรสุดท้าย เราก็ตกอยู่ในอำนาจของความแก่ความเจ็บความตายความพลาดๆอย่างเดิมไม่มีอะไรที่จะพิเศษไปมากกว่านั้นทีนี้แต่ว่าเราไม่ประมาทเราก็ป้องกันแม้ว่าจะมาการปฏิบัติธรรมนี้เราก็ป้องกันเราก็มีการตรวจรับเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนนะใครที่ฉีดครบบูธเข็มที่สามแล้วมียัง มีแล้วแอดจ้าทรวงเข็มนอกนั้นก็แอตร้าทรองเข็มมีใบรับรองกันหมดทุกคนแต่ก็ยังไม่ประมาทนะยังใช้หน้ากากยังใช้แอนคอรอใช้เจลรักษาระยะห่างนี่นั่งกันก็อยู่ตามเกณฑ์กาหนดนะอย่างน้อยๆก็มีหนึ่งเม็ดแล้วเราก็รับรอบนี้ก็แค่ยี่สิบคนก็ดูแลได้ง่ายนะ อันนี้ไม่เรียกว่าไม่ประมาทความไม่ประมาทก็จะช่วยให้เรารอดเพื่อที่ไม่ใช่รอดพ้นนะความไม่ประมาทจะช่วยให้เรารอดเพื่อที่จะทําการอย่างอื่นที่มันดีๆได้อีกเยอะเช่นว่ามาปฏิบัติทำกันอย่างนี้วันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของอาณาปานสตินี่แหละว่าเดี๋ยวนี้อเมื่อก่อน เมื่อก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัตรู้เขาก็มีการใช้ลมหายใจกันหลังจากพระพุทธเจ้าตรัตถรู้ก็ก็มีการใช้ลมหายใจกันแม้ในปัจจุบันนี้คนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาก็ใช้ลมหายใจกันหมอก็ออกมาพูดกันว่าลมหายใจนั้นรักษาโรคลมหายใจหลายอย่างเลยลมหายใจเพื่อสุขภาพ แล้วก็เป็นอย่างนั้นนะมีวิชาต่างๆเช่นปราลนไทยเก็กใช่ไหมของจีนะ่ะมีชีกงอะไรฝาหลุนกงอะไรอะไรไม่รู้ไทยเก็กที่ที่ดังๆแล้วก็หมอวิชาการแพทย์ก็ออกมารับรองว่าลมหายใจนั้น สามารถที่จะช่วยโรคได้ทีนี้พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องลมหายใจที่เราเรียกว่าอนาปานาสติทีนี้หลายคนก็ไปทำลมหายใจคือโน่นก็นลมหายใจนี่ก็ลมหายใจบางคนก็บอกว่าลมหายใจที่ท่านอาจารย์สอนนี่มันเข้ากันได้กับลมหายใจที่โยมฝึกมาพอดีเลยนะเห็นไหมเอาเราไปเป็นข้ออ้าง แล้วก็บอกว่าของตนเองอ่ะเป็นอาณาปานสติกันหมดนี่เราเอาอะไรมาเป็นตัววัดว่าอาณาปานสติหรือไม่ใช่อาณาปานสติก็ต้องเอาเอาอะไรเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละมาเป็นตัววัดมันจบที่นั่นตำราว่าปุ่นถึงชั้นของตำราเกี่ยวกับอาณาปานสติเนี่ยมันก็มีอยู่สามชั้น ชั้นที่หนึ่งคือชั้นของพระพระพุทธพจน์เองคือที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเองมันก็มีอยู่เยอะแต่ท่านรวบรวมในพระตรปิฎกเนี่ยถ้าใครอ่านพระไติปิฎกเปิดใ น, รนพระวินัยพระวินัยปิฎกในเปิดเล่มแรกเจอเลยในหมวดประจริจเจ้าสอนเรื่องอสุภกรรมฐานแล้วก็พระไปฆ่าไปจ้างคนให้มาฆ่าตัวเอง พอ พ, พิจารณาอรชูพระอระไรมันก็เกิดเบื่อธาตุเบื่อขันเบื่อร่างกายเบื่อชีวิตไม่อยากอยู่เห็นร่างกายตนเองแล้วเกิดความใะอิจฉาเอียนครั้นจักฆ่าเองก็กลัวเป็นความผิดเลยจ้างให้คนอื่นมาฆ่านี่ก็มีนักมีนักโกนหัวนักบวชนอกศาสนาเนนะี่ยนักช่างตัดผมพูดไ ง, ไง่ายๆมันก็รับจ้างแล้วก็เอาอะไรไปจ้างละก็เอาบาทเอาจีวรที่ตัวเองมีอยู่นี่แหละไปจ้างให้เขามาฆ่าตัวเอง เราหลังจากเจริญอรูปะแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายรังเกียจร่างกายตัวเองมากใครเกิดความรู้สึกรังเกียจบางครั้งบางคราวไม่ร่างกายตัวเองอ่ะหรือไม่เคยรังเกียจเลยรู้สึกไม่ว่าบางครั้งนี้เรารู้สึกโอ้ยรังเกียดเหลือเกินร่างกายเนี่ยนี่พอพระพุทธเจ้ากลับมาพระอานนท์ก็กลับต้นเห็นพระหายไปไหนหมดเหลือน้อยเหลือเกินพระอานนท์ก็กลับทูลให้ทราบว่าพระก็กลับทูลให้ทราบว่าพระเกิด กรณีค่าตายอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยสอนอาณาปานสติณนะตั้งแต่ตอนนั้นและตั้งแต่นั้นมาสอนอาณาปานสติจนรวบรวมมาเป็นอาณาปานสติสังยุตเรียกว่ารวบรวมไว้หมวดหนึ่งต่างหากเยอะมาก50กว่าสูตรเรียกว่า50กว่าครั้งที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอาณาปานสติเนี่ย และทุกครั้งที่สอนไม่มีอะไรผิดแปลกไปสอนเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวที่เป็นอาณาปานสติจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างอื่นไม่ได้ห0สิบกว่าครั้งที่พระพุทธเจ้าสอนสอนอย่างนั้นอ่ะสอนเหมือนเดิมคืออาณาปานสติสีบกนี่แหละอืม <c oughs> ี่นี่เป็นคัมภีร์ชั้นที่หนึ่งคือของพระพุทธเจ้าที่จัดเองหลังจากนั้นที่มีพระเถระในยุคของพระพุทธเจ้านี่แหละแต่มันก็เป็นชั้นของพระเถราจารย์โดยเฉพาะของระสาริบุตรที่จัดในปฏิสัมพิธามักทั้งในพระไตรปิฎกนิคุตการนิกายเล่มที่ยี่ท้ายๆก่อนที่จะคุตกานิกายนับจากท้ายมาเป็นเล่มที่สาม ช่วงมหาวัตนีย์เรียกว่าอาปาณกถ า, าพระสารีบุตรตรัสเรื่องอาณาปานาสติและพระสารีบุตรกล่าวเรื่องอาณาปานาสติไว้ Why? ซึ่งก็จะไปขยายความถ้าเราไม่ปฏิบัติเราเอาแต่ว่าเอาแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เอาของพระสาวกไม่เอาของคนโน้นคนนี้เนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติจริงก็เลยทำให้เราผิดพลาด เราผิดพลาดอย่างไรคือไอ้กลลเม็ดเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่มันจะนาเราให้มันผิดพลาดออกไปนี่มันเยอะมากในเรื่องการที่จะไปรู้ลมหายใจเนี่ยทีนี้อันในชั้นของต่อมาเนี่ยนอกจากนี่ของพระสารีบทเนี่ยคือว่าพระพุทธเจ้ารับรองอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้า วารี่านไปประมาณ850ปีก็เกิดคำพีหนึ่งขึ้นมาที่ว่าด้วยอนาปา น, นสตินี่เราเรียกว่าวิมุตติมัชวิมุตติมัชถ้าใครเคยขยันขยันหน่อยนะขยันขยันหน่อยก็ไปหาอ่านกันเถอะพอผ่านมาอีกประมาณ950ผ่านจากวิมุตติมัชมาประมาณ100ปีก็เกิดเป็นคำพีวิสุทธิมักในวิสุทธิมักก็มีการกล่าว กล่าวอนุสติสิบอนาปานาสติอยู่ในหนึ่งของอนุสติก็มีการกล่าวไว้เยอะเหมือนกันแต่ว่าบางอย่างถ้ามันไปขัดแย้งกับของพระพุทธเจ้าเราก็แมวทีนี้เรามาดูว่าแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าด้วยลมหายใจยถ้าลมหายใจในโลกใบนี้ที่ว่ากันมันเยอะ ทำไมจึงต้องเอาลมหายใจมาสอนเรื่องของการภาวนาเพราะว่าลมหายใจนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตและมันก็เป็นการทำงานของร่างกายกึ่งอัตโนมัติกึ่งออตโตเมติกก็หมายความว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจร่างกายของเรามันทายัางไงมันก็หายใจของมันอยู่แล้วและลมหายใจนั้นมันจะเป็นกระบวนการที่เป็นจริงภายในของลมหายใจเนี่ย แบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือทางเดินของลมส่วนที่สองก็คือการหายใจทางเดินของลมหายใจเนี่ยกว่าที่มันจะเกิดลมหายใจออกกว่าที่มันจะเกิดลมหายใจเข้ามันมีกระบวนการเยอะมากอยู่ในนั้นเช่นอะไรมั่งอ่ะ เ, ออเช่นว่ามันมีพุกประสาทใช่ไหมเส้นประสาท ประสาทอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเพียร์เ e ฟียนิกพีเ e อสอาอซ่านว่าอะไรเฟียนิกอ่านว่าเฟียนิกอะไรอ่านมั Phoenix, นยื่นได้ไงหรือแฟร์นิกเส้นประสาทตัวนี้เกิดที่กระดูกสันหลังข้อต่อที่3ที่4และที่4ที่5แล้วก็จะเชื่อมออกมาที่กล้ามเนื้อซี่โครงไปกระบังลม แล้วหลังจากนั้นก็จะมีเส้นประสาทอีกสิอคู่ที่อยู่ตรงกระดูกสันหลังตั้งแต่คู่ที่หนึ่งถึงคู่ที่สิบออันนี้ก็ออกไปเชื่อมที่กล้ามเนื้อซี่โครงกระบังลมเหมือนกันเพราะนั้นเ ว, เวลาเวลาเกิดการหายใจเนี่ยเซลล์ประสาทพวกนี้ที่ที่อยู่ที่กระบังลม อยู่ที่กระดูกซี่โครงก็จะทำงานท่านเวลาเราหายใจออกหรือเราหายใจเข้ามันมีการเคลื่อนไหวเห็นไหมแต่ละครั้งมันจะมีการเคลื่อนไหวนั่นคือการทำงานของของทางเดินของลมหายใจทีนี้ความสำคัญของลมหายใจลมหายใจนอกลมหายใจในลมหายใจนอกคือที่มันลมเข้าและลมออก อาศัยปอดเป็นตัวทางานแต่ถ้ามันไม่มีลมหายใจนอกแต่มันมีลมหายใจในก็คือเซลในร่างกายของเราทุกเซลต้องอาศัยอะไรอาศัยอะไรต้องอาศัยออกซิเจนทุกเซลต้องอาศัยออกซิเจนเพราะฉะนั้นการทำงานของเซลที่ก็จะสืบต่อกันเนี่ยเขาจะใช้ออกซิเจนเนี่ยเป็นอาหาร เพราะฉะนั้นนั่นคือการหายใจข้างในเวลาเราไม่ได้หายใจข้างนอกแต่เรายังไม่ตายเรายังนั่งอยู่กระบวนการหายใจภายในเรายังทำงานอยู่ไหมยังทำงานจนกว่าออกซิเจนจะหมดฮันร่างกายจึงมีความต้องการออกซิเจนเยอะมากเยอะมากทั้งแต่ว่าในออกซิเจนในบรรยากาศข้างนอกเรามีกี่เปอร์เซนต์บด์บางทีก็ไม่ถึงลนะ เวลาเราหายใจเข้าไปออกซิเจนเข้าไปเนี่ยไม่เพียงพอไม่เพียงพอเพรา ะ, ะนั้นแพทย์จึงบอกว่าอะไรเวลาเราไปนอนเวลาเราไปรักษาตัว ท, ที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะพวกที่เป็นโควิดแพทย์ก็จะบอกว่าไงหายใจลึกๆแล้วก็กลั้นลมหายใจไว้ให้นานที่สุดแล้วค่อยหายใจออกใช่ไหมัมันยิ่งใหญ่มากเลยลมหายใจมันใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยนะพระพุทธเจ้าเรียกว่า กายสังขารคือตัวปรุงแต่งกายร่างกายนี้มีลมหายใจเป็นตัวปรุงแต่งถ้าไม่มีลมหายใจแปลว่าตายตายนี้อันนี้ก็เรื่องว่าในเรื่องลมหายใจลมหายใจสามารถที่จะรักษาโรคได้อีกหลายประการเลยทีเดียวแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอนุมนูลอิสระอนุมนูลอิสระที่เกิดขึ้นจากอำนาจของความเครียดความเครียดเนี่ย เวลามันมีความเครียดสังเกตว่าเวลาเรามีความเครียดแสดงว่าออกซิเจนในร่างกายของเราเป็นไงมันน้อยเพราะอะไรเพราะมันเกิดสันดาบเคยได้ยินไหมสันดาบเคยได้ยินใ่ไหมเออสันดาบก็คือการการเผาผลาญภาษาไทยเรียกว่าสันดาบภาษาบาลีเรียกว่าสันตาปะ แปลว่าเกิดการแผดเผาเกิดกอะไรต่างๆข้างในนี่แหละมันจะสูญเสียหายเมื่อมากสูญเสียพลังงานมากเกิดการเผาผลาญกันมากมันเลยต้องการออกซิเจนนี่ความเครียดของคนโดยเฉพาะวิถีชีวิตในศตรวรรษที่2ีคือที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นวิถีชีวิตที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆโอ้ยมันเยอะมากเลยเลยไป ทำให้จิตใจนั่นถูกกระทบกระแทกเยอะมากพอจิตใจกระทบกระแทกเยอะมันก็เลยเกิดความเครียดไอ้ความเครียดนี่มันเกิดแล้วเนี่ยมันจะไปทำอะไรมันจะไปกระตุ้นให้สมองส่วนไหนที่ชื่อว่ า, โโ า, าไฮโปทาราบัตใไหมฮโปทาราบัตทำงานไอ้ไอ้ส่วนนี้เวลาเราก็ทำงานแล้วเนี่ย มันก็จะไปกระตุ้นต่อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่อมไร้ท่อต่อมน้นต่อมนี่ทำให้กลไกการทางานของร่างกายขาดสมดุลหมดเลยแล้วมีปัญหาเยอะมากสังเกตดูที่เด็กที่นั่งเล่นเกมบ่อยๆจะอ้วนเดี๋ยวนี้ไอ้ต่อมไร้ท่อที่เกิดขึ้นมาจากการที่คนมันไปหมกมุ่นแล้วมันเกิดเป็นความเครียดกดดัน ทำลายต่อมไอกระตุ้นต่อมไฮโปทารบาทเนี่ยจนทำให้ต่อมไร้ท่อวิกลวิการผิดเพี้ยนไปหมดเลยโรคต่างๆก็เลยเกิดขึ้นเยอะลมหายใจออกซิเจนที่หมอบอกว่าให้เราหายใจลึกๆลึกๆแล้วก็อันไว้นานที่สุดเลยแล้วก็ค่อยๆหายใจออกแต่ของหมอบอกว่าให้หายใจออกทางปาก เพราะว่ามันจะได้คายสิ่งที่ไม่ดีออกมาทีนี้เวลาเราหายใจเข้าเวลาเราหายใจเข้ามันก็เกิดเป็นกระบวนการเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียกเปลี่ยนแก๊สแก๊สหมายความว่าก๊าซอะแล้เปลีน่นก๊าซ้นมาจากออกซิเจนเราหายใจเข้าไปแล้วเราค้างไว้หายใจลึกๆยาวๆแล้วเรานิ่งไว้อั้นไอยเพื่ออะไร เพื่อให้ร่างกายของเราได้ดูดออกซิเจนเข้าไปขับเคลื่อนหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราได้ได้มากที่สุดในขณะเดียวกันไอการเผาผลาญข้างในผ่านทางระบบเลือดพอผลาญเสร็จแล้วมันก็เกิดข้อเสียหายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นลมหายใจออก นี่มันเป็นเรื่องราวสาเหตุว่าทำไมในโลกนี้มันจึงมีการใช้ลมหายใจกันเกิดมีวิชาต่างๆเรื่องลมหายใจในชักกันเยอะมากแต่ที่ว่านี้ยังไม่ใช่อนาปานสตินะที่พูดกันอยู่เนี่ยไม่ใช่อนาปานสตินะถ้าจะให้เป็นอนาปานสตินั้นหมายความว่าอะไรเราใช้ลมหายใจ เพื่อพัฒนาสติมันจึงต้องพูดกันสองเรื่องที่ท่านทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจให้ได้ไม่เช่นนั้นจะภาวนาไม่เป็นหนึ่งคือตัวรู้รู้จักไหมตัวรู้รู้จักไหมผู้รู้รู้จักไหมใช่รู้จักจริงนะเอาตัวรู้คืออะไรตัวรู้คืออะไรเห็นไมพอบอกว่าตัวรู้รู้จักไหมรู้จัก ไม่รู้ก็แย่สิเรายัางไม่ตายแต่ว่าตัวรู้คืออะไรตอบไม่ถูกเห็นไหมมันเดินไปไม่ได้ผู้รู้รู้จักไหมและผู้รู้คืออะไรอ่าไปไม่ถูกอีกแล้วนั่นหมายความว่าอะไรเราไม่ชัดเจนตรงนี้แหละตัวรู้คืออะไรฮะตัวรู้ตัวรู้ก็คือ อะไรตัวรู้ก็คือวิญญาณขันธ์นั่นคือตัวรู้มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอยู่ที่จิตที่อาศัยอะไรอาศัยอะไรเป็นตัวเกิดอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหม นามวิญญาณิญญานามนามรูปวิญญาณนามรูปเป็นปัจจัยแห่งวิญญาณรูปเวทนาสัญญาเวทนาสัญญาเจตนามนสิการไอผัสสะมานสิการนามรูปไม่มีวิญญาณรูปก็คือรูปเจตนา เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิการนั่นคือนามทั้งหมดนั้นมีวิญญาณเป็นเงาคือตราบใดที่มีเวทนาก็ต้องมีวิญญาณตราบใดที่มีสัญญาก็ต้องมีวิญญาณตราบใดที่มีเจตนาก็ต้องมีวิญญาณตราบใดที่มีผัสสะก็ต้องมีวิญญาณตราบใดที่มีมนสิการก็ต้องมีวิญญาณวิญญาณคือเงา วิญญาณคือตัวรู้ที่จะต้องเข้าไปรับรู้ทุกๆเรื่องเวลาเราตาเราเห็นถ้าไม่มีตัวรู้เข้าไปรับรู้จะเห็นไหมไม่เห็นเวลาเราฟังเสียงกระทบหูเราแล้วถ้าไม่มีตัวรู้เข้าไปรับรู้จะได้ยินไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นตัวรู้เนี่ยนี่คือตัวรู้ตัวรู้นี้เป็นเราไหม ไม่ใช่เราตัวรู้นี่ไม่ใช่เราเขาเป็นตัวที่เป็นเงาของเหมือนกับเป็นเงาของสัญญาเวทนาเจตนาปัตามานสิกันนี่ต้องเข้าใจตรงนี้เพราะเราอย่าไปเอาตัวรู้มาเป็นผู้รู้บางทีเอารู้มาเป็นผู้รู้แล้วก็เข้าใจว่า ตนเองปฏิบัติดีตนเองปฏิบัติล้ำหน้าตนเองไปปฏิบัติอย่างล้นอย่างนี้ไม่ยากฮันต้องเข้าใจว่าตัวรู้ไม่ใช่เราตัวรู้เป็นธรรมชาติของจิตที่เป็นปรากฏอยู่อย่างนั้นแล้วก็เกิดดับพร้อมกับพร้อมกับเวทนาสัญญาสังขารและรูป แต่ที่มันเกิดดับเร็วเห็นไหมเวทนาเกิดดับเร็วไหมไอ้เมื่อยพอเขาบอกว่าไฟไหมโอ้โหลุกขึ้นวิ่งไปเลยไอ้เมื่อยหายไปแล้วดับไปยังตอนเมื่อยอยู่เวทนาไอ้วิญญาณตัวรู้เข้าไปรับรู้ไหมไหมเมื่อยตัวรู้เข้าไปรับรู้ใช่ไหมพอเขาบอกว่าไฟไหมตรงนู้นวิ่งไปตัวรู้เข้าไปรับรู้ไหมรับรู้เพราะฉะนั้นพอเวทนาตัวนี้ดับไอ้ตัวรู้เนี่ย มันยังไม่ทันดับสนิท ต, ตัวรู้ที่เข้าไปรับรู้เวทนาเมื่อกี้มันยังดับไม่ทันสนิทเลยมันต้องไปรับรู้ตัวใหม่อีกแล้วมันเลยเกิดตะกอนจากการดับของเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมาสิการตะกอนเหล่านี้ตกอยู่ที่ตัวรู้เข้าใจไหมทันไหมตะเกิดเป็น ตะกรตกอยู่ที่ตัวรู้เพราะนั้นไอ้ตัวรู้นี้ก็เลยเวลามันไปเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเวลามันเกิดใหม่เกิดเปลี่ยนเป็นความคิดใหม่ตัวรู้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปตามตะกรที่มันตกค้างอืมอันนั้นคือตัวรู้นะมันไม่ใช่เรานี่พอเข้าใจไหมตัวรู้เอออย่าไปสําคัญว่าตัวรู้แล้วเราภาวนาเอาตัวรู้อย่างตัวนี้ไม่ได้นะไม่ได้ทีนี้ ผู้รู้คืออะไรผู้รู้ไม่มีในหนังสือเ อ, อได้ไหผู้รู้คืออะไรกล้าๆหน่อยแคเ ป, เป็นตัวรู้อีกตัวหนึ่งผู้รู้หมายความว่าอะไรเมื่อเป็นผู้รู้จะต้องมีอะไร สิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมผู้รู้ในที่นี้คือสิ่งที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาผู้รู้จะต้องประกอบไปด้วยอะไรผู้รู้จะต้องประกอบไปด้วยอะไรด้วยสติและอะสัมปชัญญะนี่คือผู้รู้ผู้รู้ ในคำว่าผู้รู้นั้นจะต้องมีอาศัยการระลึกเข้าไปสู่จุดหนึ่งและมีการรู้สึกตัวต่อจุดที่ระลึกลงไปนั้นตรงนั้นเรียกว่าผู้รู้เอาใหม่เอาไอ้ท่านนะตัวรู้ผู้รู้นะผู้รู้ไม่ใช่ตัวรู้ตัวรู้ตัดไปแล้วผู้รู้คือ ประกอบไปด้วยอะไรสติสัมปชัญญะคือตัวที่ระลึกเข้าไปสู่จุดหนึ่งและมีความรู้สึกตัวที่เ็าเรียกว่ารู้สึก ต, ตัวทั่วพร้อมสัมปชานุมีความรู้สึกตัวในจุดที่ระลึกลงไปนั้นเข้าใจไหมเข้าใจยังอ้าวระลึก ระลึกระลึกปับ๊บมีความรู้สึกในจุดที่ตนระลึกตัว น, นั่นแหละเรียกว่ารู้มันเกิดจากอะไรเราสร้างสร้างตัวนี้เราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าอะไรมาทวนภาวนาเออเข้าใจไหมนั่นแหละนั่นแหละคือภาวนา นั่นนะคือภาวนาทีนี้เรามาดูอาณาปานาสติอาณาปานาสติที่พระพุทธเจ้าตรัสหลังจากว่ า, ามีสถานที่แล้วนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าคือรวบรวมจิตขึ้นมาแล้วเนี่ยคำแรกที่เข้าสู่การภาวนาก็คือ โซสโตวะสติสโตป ส, สติแปลว่ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยมันจะต้องให้เกิดอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดอะไรผู้รู้ คำว่ามีสติหมายความว่ามันจะต้องมีทั้งสติและอะไรสัมปชัญญะระลึกเข้าไปจุดเดียวเพราะฉะนั้นคำนี้ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ขยายไว้นั้นพระอริต h a เนี่ยพระอริต h a ปฏิบัติอนาปานนติรู้ลหมหายใจออกรู้ลหมหายใจเข้าจนได้พระอนาคามีพระพุทธเจ้าถามมาเธอปฏิบัติอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าก็ รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนี่แหละพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าว่าที่เธอทํามันก็ดีแล้วแหละแต่การทํามานาปรรนาสนสตินั้นมันจะต้องทําอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็จัดไปตั้งแต่ต้นจนจบนั่นแหละสิบกขั้นนะ่ะนะสามานเหมือนเดิมหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเลยไปถามภาษาฤๅบุตรภาษาฤๅบุตรอธิบายตรงนี้ ในการในการที่เราจะต้องสร้างผู้รู้เพื่อให้เกิดการภาวนานั้นมันจะต้องมีอย่างนี้นิมิตตังอัศาสะาปัตสาสะอนารมณะเบกจิตตสะอัชานตโตจะตะโยธรมเบภาวนานุวลปฏิแปลว่าแปลว่าออนิมิต ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ได้เป็นอารมณ์เดียวกันเห็นไหมหมายความว่ามันสามอย่างมีนิมิตลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันไม่ได้รวมเป็นอารมณ์อันเดียวกันอาชาณโตตโยธ ร, รมเบผู้ที่ไม่รู้สามเรื่องนี้ภาวนานุประลปติภาวนาของผู้นั้นไม่มี เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออไม่มีา น, นิมิตคืออะไรที่เราสอนตั้งแต่แรกๆในเรื่องของการรู้ลมหายใจนิมิตคืออะไรนิมิตคือที่ตั้งหรือจุดสำหรับที่จะลึกลงไปนิมิตตัวนี้คือที่จุดที่ลมเดินทางเดินกับลม ไปกระทบสัมผัสและเรารู้สึกได้ที่ตั้งของจิตรู้ที่จะรู้ลมหายใจตัวนี้คือนิมิตอ่าเข้าใจไหมเข้าใจปะมันอยู่ในช่องจมูกถ้าเป็นฝรั่งจมูกยาวๆเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านเหนือี่นี่แหละก็ แต่ละท่านก็ซ้อมได้หายใจเข้าให้สุดหยุดลมหายใจไว้แล้วก็ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมที่หายใจออกแล้วหายใจออกมาดูสิว่ารู้สึกกับลมหายใจตรงไหนที่มันรู้สึกได้ตรงนั้นเป็นนิมิตแล้วจิตจะไปเฝ้ารู้อยู่ตรงนั้นลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้เฝ้ารู้อยู่ตรงนั้นไอนี่คื อ, ซอโซสตววอัสติสตปัสตินะ มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมันต้องรู้สามเรื่องนี้นิมิตังอัศสาปัสสาสานารนามณะเบกจิตตสัชาณาโตจตโยธรมเบภาวนาอุปละปะตัตินิมิตลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่เป็นอารมณ์อันเดียวกันชาณาโตตโยธรมเบผู้ที่รู้สามเรื่องนี้ภาวนาอุปละปะตัตาวผู้นั้นได้ภาวนา ก็จะได้ภาวนาะถ้าไม่รู้สามเรื่องนี้แยกกันไม่ขาดไม่ได้ภาวนาะทีนี้พอพอเรารู้อย่างนี้ว่าที่ตั้งของจิตรู้คือนิมิตใช่ไหมจากนั้นก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เรารู้สามเรื่องนี้แล้วอ้าวต่อไปนี่ว่าในกระบวนการของผู้รู้นะบางผู้รู้ในส่วนที่เป็นอนาปานสติอ้าวต่อไปเมื่อเราได้จุดคือนิมิต ที่ตั้งของจิตรู้แล้วก็เริ่มเฝ้าแล้วเอาทดสอบก่อนที่สักสองสามนาทีทดสอบสามนาทีก่อนเอาไว้ได้ให้มีสภาวะรองรับก่อนอยากเข้าใจว่าตนเองแบบเซียนนะอยากจะเข้าใจว่าตนเองเป็นเซียนลมหายใจนะอยากเข้าใจนะเอาให้รู้สึกมีสภาวะรองรับว่านิมิตคืออะไรเราจะได้รู้จักว่านิมิตคืออันนี้สาหรับเรา เอาสักสานาทีตั้งกายให้ตรงอันนี้เราหานิมิตนะหาคำว่านิมิตให้ออกสำหรับเราว่าตรงไหนที่เราชัด และเป็นความจริงด้วยนะเป็นความจริงคือลมผ่านกระทบตรงนั้นแล้วเรารู้สึกได้ไม่ต้องสนใจว่าลมสั้นลมยาวลมแรงลมเบาลมถี่ลมอะไรต่างๆไม่ต้องสนเพียงแค่ลมหายใจผ่านไดเรารู้สึกได้ เอาละน่าจะได้แล้วมั้งใครที่ยังไม่รู้จักนิมิตสภาวะที่ชื่อว่านิมิตมีใครไม่รู้จักรู้จักยังแคดรีวรู้จักยังออกมาก่อนออกมาก่อนรีวอย่าเพิ่งลึกเอาแค่รู้จักสภาวะที่ชื่อว่านิมิตบวยแน่นอนนะ อ่าเห็นไหมเห็นไหมนนเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้สึกให้เป็นจุดที่รู้สึกได้จริงๆริงออย่างนั้นไม่จริงถ้าอย่างนั้นไม่จริงท่านพระสารีบุตรจึงมีการอธิบายความไว้ว่าในการที่เราจะรู้นิมิตเนี่ยมันจะเกิดอะไรอัศาสาธิมัตชะป ร, ะริโยสานัง สติยาอนุคัจโตอาจัตตาวิเกปักตังจิตตังสมาทิสปะริปันโทนี่หนึ่งนะ2ปัสสาสาดิมัจจะปริโยสานงสติยาอนุคัจโตพระหิทธาวิเกปักตังสมาทิสปะริปันโท ฟังเป็นบาลีไปก่อนสามอัศสาสะปฏิกังนานิกันติตัณหาจริยาสมาธิสปริปันโทสปัศสาสาปฏิกังนานิันติตัณหาจริยาสมาธิสปริปันโท ห้าอัศเสนาภิตุนัสัเสนาภิตุนัสปัสปติลาเมุนชนสมาธิสปริปันโทหปัสปัตสัเสนาภิตุนัสัสปติลาเมุนชนสมาธิสปริปันโท ีหกประการแรกภาษาริบุตรเป็นห่วงมากเลยอธิบายให้ฟังอันแรกคืออะไรผู้ที่ใช้สติเล่นไปตามลมหายใจเข้าเล่นไปตามลมหายใจเข้าอจัตตะวิกเขปักกตังมันก็จะเกิดการฟุ้งซ่านข้างในเวลาฟุ้งซ่านข้างในเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้กระจายออกไป ผู้ที่ใช้สติแล่นตามลมหายใจออกเกิดความฟุ้งซ่านข้างนอกสมาธิสะบริปันธุเป็นอันตรายต่ออาณาปานสติสมาธิทีนี้อศาศะปฏิกังขนานิกันติตันหาจริยาก็คือว่าเพ่งไปสู่ลมออก การเพ่งไปสู่ไอความพอใจและปรารถนาลมออกเที่ยวไปด้วยตัณหาตัณหาจริยาคือมันเที่ยวไปด้วยตัณหาหมายถึงว่ามันเที่ยวไปด้วยความปรารถนาและเที่ยวไปด้วยความอยากอันอาจจะเกิดจากความเคยชินเกิดจากการฝึกฝนอะไรมาบางอย่างและมันเคยชินนเรียกว่าตัณหาจริยาสมาธิสับปริปันโทเป็นอันตรายต่ออาณาปันนะสติสมาธิ อัศเสนาพิตุนัสสะอันนี่แบบสุดยอดมากอัศเสนาพิตุนัสสะปัสสาสาปติลาเภมุญชนาหลงไปในการได้ลมหายใจออกอัาเสนาพิตุนัสสะในขณะที่ลมหายใจเข้าครอบงำอยู่เข้าใจปะคือในขณะที่เรากำลังหายใจออกแต่เราหลงไปกับลมเข้า ในขณะที่เราหายใจเข้าเรากำลังหลงไปหาลมออกในขณะที่หายใจออกเราหลงไปหาลมก้าวคือออกแล้วมันไม่ออกเข้าแล้วมันไม่เข้าจิตมันจะคลาดเคลื่อนไปด้วยอานาจของความหลงในการที่จะได้ซึ่งมันเกิดขึ้นอันนี้มันจึงย้อนกลับไปเพื่อให้อะไรเพื่อให้เรารู้นิมิตเนี่ยให้มันชัดเจน เห็นไหมรู้ในตัวที่เป็นนิมิตเนี่ยให้วันชัดเจนขาดนิมิตไม่ได้มันจะเปหมดเลยในอาณาปณิติทีนี้เพราะร้าย ไ, ได้ตรงนี้แล้วเอาตรงนี้มีใครสงสัยอะไรมัง่งผ่านนี้ไปต้องภาวนาเป็นนะเพราะว่าถ้าเกิดมันแรงขึ้นมาแล้วทีนี้เราอาจจะไม่ได้เปิดคลอดอีก <laughs> อยู่บ้านทีนี้ถอดอน้ากากสบายเลยทีเนี้ย ถ้าเราได้ชัดเจนตรงนิมิตน่ะได้ชัดเจนตรงนิมิตทีนี้พระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงทีขังว่าอัตสันโตทีขังอัตสามีติความดูมันก็ง่ายอีกนะความดูมันก็ง่ายๆนะไอ้แล้วก็เราก็เชียนสมาธิก็ได้เมื่อก่อนเราเคยบอกว่าไงให้รู้จักลมยาวคือทำลมหายใจให้ยาว ห้ยาวให้ลึกแล้วก็เฝ้ารู้อยู่ตรงนิมิตแล้วเคยสังเกตไหมว่าพอเราทําลมยาวลึกและเฝ้ารู้อยู่ตรงที่ตั้งของจิตรู้เนี่ย ม, มันเกิดอะไรมันเกิดอะไรไหมเกิดอะไรไหมมันเกิดความฟุ้งซ่านมันเกิดความฟุ้งซ่านเพราะอะไรไหนจะต้องเฝ้ารู้นิมิตไหนจะต้องทําลมให้ยาว ไหนจะต้องรู้ลมที่ยาวนั้นมันก็เกิดความฟุ้งซ่านได้ง่ายพระสารีบุตรไขความตรงนี้แต่เนี่ยอันนี้มาพูดเนี่ยว่าบางคนได้แล้วนะบางคนนี่มันผ่านแล้วแต่ะตรงเนี้ยแต่ว่าเรามาชำละเพื่อให้เริ่มต้นให้ถูกพอพอเรารู้จากนิมิต รู้จักลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วเนี่ยพอพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าลมยาวพอเราไปกําหนดทําลมให้ยาวในที่สุดมันเกิดเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นว่าไอ้ลมที่ยาวที่แท้จริงคือลมอะไรลมยาวที่แท้จริงคือลมอะไรคือลมหายใจปกติหลังจากที่เรากําหนดทําลมยาวยาวยาวไปสักพักหนึ่ง แล้วไอ้ยาวนั้นมันหายไปมันกลายมาเป็นลมปกติลมปกตินี่แหละคือลมยาวแต่ท่านไขความไว้ให้เราเฝ้าที่นิมิตนะเฝ้าที่นิมิตแล้วบอกว่าอัฏฐานสังขาเตที่ังวาอัฏทีคังวาอัฏสาสปปะปัสสาเสก็คือว่าให้เฝ้ารู้ที่นิมิตแล้วรู้นาน เห็นไหมรู้นานรู้นานคือตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจพอเฝ้ารู้ที่ดิมิตพอลมหายใจออกเริ่มรบปั๊บกร็รู้รู้ตั้งแต่ต้นลมรู้จนสุดลมเรียกว่ารู้นานรู้ให้นานรู้ให้นานเนี่ยก็เรียกว่าลมยาว รู้นานคือลมยาวให้สังเกตพอพูดคำว่ารู้ให้นานมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าจิตรู้มันอยู่ตรงไหนส่วนมันข้าวอยู่ตรงนิมิตใช่ไหมรู้นานทำไปเรื่อยเรื่อเรืยเรื่อยืเอ ย, เ, ย, เ, ยเป็นเหตุให้ถูกต้องพร้อมพร้อมด้วยเหตุผลทั้งหมดที่อธิบายท่านทั้งหลายฟังรู้นานต่อลมหายใจที่ไหลออกรู้นานต่อลมหายใจที่ไหลเข้า คำว่ารู้นานนี่ไม่ความวาไม่ใช่หมายความว่านานเป็นชั่วโมงนะนานหมายความว่าตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมลมหายใจที่ไหลออกและลมหายใจที่ไหลเข้าตั้งแต่ต้นลมจนสุดลมหายใจรู้ต่อเนื่องในขาออกรู้ต่อเนื่องในขาเข้ารู้นานรู้นานมันก็เป็นเสมือนลมนั้นเป็นไงยาวทําเหตุตรงนี้เป็นเหตุทาไปเรื่อยเื่อยเรื่อยเรืยรื่อย ถ้าจะกระจายออกเนี่ยสักพักหนึ่งกายมันจะเกิดปารสารอปาสาระก็คือว่ากายจะไม่กระสับกระสายจิตสติและสัมผัสัญญาที่คอยรู้ลมหายใจก็จะไม่กระสับกระสายพอไม่กระสับกระสายมันจะเกิดผลผลคือลมหายใจจะสั้นลงลมหายใจจะสั้นลงและจะละเอียดขึ้นนี่คือผล นี่คือผลในการที่จะเกิดผลลมหายใจสั้นลงและละเอียดขึ้นนั้นไม่อึดอัดมีสติเพราะกายมันไม่กระสับกระสายท่านเมื่อรู้อย่างถูกวิธีความสงบจะเกิดทันทีความสงบจะเกิดทันทีถ้ารู้อย่างถูกวิธีอืมเอาตรงนี้ก่อนมีสงสัยไหมที่ท่านจัด สั้นโตปนีโตอเซจนาโกสุโควีห้าโรจะนั่นน่ะความสงบจะเกิดทันทีเพราะอะไรเพราะเวลาเราเฝ้ารู้ลมยาวเฝ้ารู้นานน่ะเารู้นานเ่ารู้ลมนานรู้ลมยาวเนี่รู้นานต่อลมยาวเนี่ยการที่ลมมันจะสั้นมันจะเกิดฉันทะและปราโมชฉันทะคือจิตเนี่ยจิตที่รู้เนี่ยจิตที่ระลึกเนี่ยมันจะน้อมเข้าไป แล้วก็จะเย็นจะเย็นแล้วมันจะเกิดความปราโมทขึ้นแล้วด้วยอำนาจของความปราโมทและและความฉันทะฉันทะและความปราโมทเนี่ยมันจะทำให้ลมหายใจนิสั้นลงเพราะอะไรร่างกายมันไม่ต้องการออกซิเจนมากเซลทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายของเรามันนิ่งเซลทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายมันขาดสันดาบอะมันไม่ต้องสันดาบอะไรเข้าใจป่า ลมหายใจมันก็เลยสั้นลงแต่เรามีสติไม่อึดอัดนี่เข้าสู่ขั้นที่สองผลของขั้นที่หนึ่งจะปรากฏเป็นขั้นที่สองว่ารัตสั่งวาอัสสัสนโตรัตซังอัตสามีติประชานาติรัตสั่งว่าปัตสัสนโตรัตซังปัตสามีติประชานาติเห็นไหมถ้าทําเหตุที่หนึ่งถูก ผลก็คือขั้นที่สองทำเหตุขั้นที่สองนี้ให้ถูกผลก็คือขั้นที่สามทำเหตุของขั้นที่สามนี้ให้ถูกผลก็คือขั้นที่สี่ในกายานุปัสสนานี้มีสีขั้นอย่างเงี้ยมีความสงสัยไหมปัญหาของเราคืออะไรรู้ป่ะปัญหาของเราคือรกฝึกเยอะ เราฝึกเยอะแล้วเราออกจากพระพุทธเจ้าหมดเลยมันต้องกล้าพูดตรงๆอย่างนี้นะเรฝึกกันเยอะแล้วเราออกจากพระพุทธเจ้าหมดเลยตัณหาจริยาตัณหาจริยาตามใจฉันทุกอย่างตามใจฉันหมดบางทีไปเห็นตรงนี้โอ้ยนี่ดูดีนะพอดูดีนะโอ้เอาตามเขาพอตามเขาจนติดเป็นสันดานพอติดเป็นสันดานแล้วพอมานั่งทาอย่างนี้มันไม่ได้อ่ะ มันมันต้องอย่างนี้เออมันต้องอย่างนี้มันไม่ได้นี่ปัญหาของเราท่านไขความไว้ให้อีกนะว่าการที่จะเฝ้ารู้อยู่ตรงนิมิตเพื่อที่จะรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าที่จะเป็นลมยาวลมสั้นเนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดเป็นลมยาวลมสั้นไม่ได้ดังที่อธิบายให้ฟังเนี่ยเช่นว่านิมิตตังอาวัชโต อั ศ, าศาเสจิตตังวิกกมปติหมายว่าคํานึงถึงนิมิตนิมิตคือเมื่อกี้นะที่อธิบายฟังนะนิมิตคือที่ตั้งของจิตรู้เข้าใจใช่ไหมนิมิตตังอศาวัชโตอัศเสจิตตังวิกัมปติก็คือว่าตอนที่จิตมันไปคํานึงถึงนิมิตคํานึงถึงนิมิต อัดสาเสจิตตังวิกรรมปติจิตมันเกิดการกวัดแกงไปที่ลมออกในขณะที่เราเฝ้ารู้นิมิตเนี่ยเฝ้ารู้อยู่เนี่ยว่าลมจะออกมาเนี่ยเราเฝ้ารู้เรหมายใจเนี่ยเรียกว่าเฝ้านิมิตอยู่เนี่ยรำพึงถึงนิมิตอยู่เนี่ยจิตมันกวัดแกว่งไปที่ลมออกเฝ้านิมิตอยู่จิตกวัดแกว่งไปที่ลมเข้ารู้ลมออกอยู่จิตกวัดแกงไปที่นิมิตรู้ลมเข้าอยู่จิตกวัดแกว่งไปที่นิมิต ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อสมาธิทั้งสิ้นมันจึงต้องให้ชัดเจนเรื่องของซิมิตนะยากไหมเนี่ยมันเป็นบาลีเยอะนะทันไหมทันเปล่าทันไหมถ้าไม่ทันก็จะต้องนั่งสมาธิเพื่อหาสภาวะรองรับก่อนนะต้องให้มันสมาธิให้ต้องให้สภาวะมันเกิดแล้วก็รองรับว่าไอ้จิตไอ้จิต กัดแกงเป็นยังไงลมยาวเป็นยังไงรู้นานเป็นยังไงแต่อธิบายให้ฟังก่อนลหละตรงเนี้ยทีนี้ถ้าถ้ามิชเช่นนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เชนนั้นมันก็จะเกิดความเข้าใจเอาเองความเข้าใจเอาเองก็คือว่า เราเดินออกจากอานาปานสติเลยหละเดินเดินออกจากอาณาปานสติทันทีพูดตรงๆเดินออกจากอาน า, านทัน ท, นออานา ท, นทีใครที่เคยปฏิบัติแบบไหนมาก็ช่างเมื่อเข้าใจอานาแล้วเมื่อเข้าใจอาณาแล้วรู้นิมิตแล้วเข้าใจเรื่องนิมิตแล้ว รู้จากลมยาวแล้วรู้จากลมสั้นแล้วที่มันเป็นเหตุเป็นผลทำวัตถุที่หนึ่งให้ปรากฏเป็นวัตถุที่สองวัตถุที่สองทำให้มันให้ถูกต้องปรากฏเป็นวัตถุที่สามเนี่ยทาอย่างถูกต้องแล้วมันออกมาจากหมดทั้งหมดแหละแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าเราเราปฏิบัติไปเนี่ยมันจะได้อะไรมันก็ได้อีกหนึ่งใช่ไหม มันก็ได้สองได้สามได้สี่ได้ห้าได้หได้เจ็ดได้แปดได้9้าได้สิบได้สิบเอได้สิบสอได้สิบสาได้สิบสีได้สิบ้าได้สิบและถ้าทําอย่างนี้ให้มันถูกต้องชัดเจนแบบนี้พระพุทธเจ้าว่าไงอาณาปสติอันบุคคลทําให้บริบูรณ์แล้วทําให้มากแล้วจะทําให้สติปัฐานสี่ของผู้นั้นบริบูรณ์สติปัฐานสี่ของผู้ใดอันผู้ใดทําให้บริบูรณ์แล้วทําให้มากแล้ว จะทำให้ได้มีโพชชงใช่ไหมโพดชงใครทําให้บริบูรณ์แล้วทําให้มากแล้วก็จะได้วิชาและวิมุตหั้นใครถามว่าทําทำไปแล้วได้อะไรเนี้ยก็ได้อย่างเงี้ยแต่มันต้องทําให้ถูกการที่จะทําให้ถูกมันจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องอ่แคทถามคืตอนที่พระอาจารย์บอกว่า ให้นิมิตแล้วก็รูล้ลมยาวเนี่ยมันหมายถึงว่ารู้สลับกันหรือ่าไม่สลับจิตรู้จากเฝ้าอยู่ที่นิมิตแล้วก็รู้ลมไม่รู้สออย่างเฝ้าอยู่ที่นิมิตลมมันมาทางนิมิตถูกปะ่ะเออ ถ้าเรารู้สองอย่างแสดงว่าเรายังไม่ได้รู้นิมิตเรายังไม่ได้นิมิตเรากำลังจะไป ก, กํกหนดให้ตรงนี้ของเราเป็นนิมิตแต่ลมมันไม่ผ่านเราเลยจะต้องรู้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปรู้ลมด้วยทำให้เราต้องรู้สองอย่างถ้านิมิตของเราถ้านิมิตที่เรารู้ชัดเจนแล้วมันต้องเป็นนิมิตที่ตั้งอยู่ในเส้นทางที่ลมมันผ่านเราเฝ้าอยู่ตรงนั้น เวลาลมผ่านมันก็เลยรู้การเฝ้าอยู่ที่นิมิตและไปรู้ลมนั้นมันจะทําให้เรารู้ลมที่มีรู้มีกําลังมากกว่าการกําหนดพอเรารู้ไปเรื่อยๆตัวกําหนดก็จะหายไปตัวรู้ลมหายใจที่ไหลออกมานั้นก็จะเป็นลมธรรมชาติที่เป็นลมหายใจแบบอัตโดมัติและถ้าเราทําชัดเจนต่อไปเรื่อยๆเราก็จะเห็น เห็นอะไรเห็นเจตนาที่มันจะไปรู้ลงอันนั้นเป็นตัวจิตตะทังขานในชั้นที่สูงสูงต่อไปเพี่น้องผู้ผักเนนะี่ยเราที่รู้เราอิทธิฤทธิ์จิตแต่เราที่ออกเราก็ต้องรู้ว่านิมีลมโผล่อย่างนี้ใช่ว่าตัวรู้ของเรารู้ว่าหล้องอยู่จริงแต่เราร้่าลมออกมันรู้อยู่ที่นิมิตไงก็ถูกแล้วตอนเข้าเราก็รู้นลมเข้าคือคือรู้ลมเข้ามันไม่ต้องไปกําหนดว่าลมเข้า ไม่จำเป็นต้องไปกำหนดว่าลมเข้าคำว่าลมเข้านี่มันเป็นศัพท์บัญญัติใช่ไหมล่ะแต่มันมีลมที่มันไหลเข้าเราก็รู้ลมไหลออกมันก็รู้รู้อยู่ตรงไหนรู้อยู่ตรงนิมิตนั่นะตรงนั้นะตรงที่ตั้งของจิตรู้นั่นแหละแต่เราไม่จาเป็นจะต้องไปกำหนดว่าลมออกไม่จาเป็นต้องไปกำหนดว่าลมเข้าเพราะพุทธเจ้าท่านใช้ศัพท์ว่าไงใช้ศัพท์ว่าทีคังว่าอัตสั้นตโตดีขังอัตสามี ติปชานาติคาว่าปชานาติเนี่ยมันเป็นปัจจุบันการเป็นเขาเรียกว่าเพ e n ใช่ไหมภาษาอังกฤษ เ, เนเนใช่ั้ยเป็นปัจจุบันการ<ส>ที่ขังว่าอัตร ส, สัตวโตดีขังอัศ ส, สามีติปชานาติเป็นประโยคที่พระพุทธเจ้าตรัสตรัสประโยคใหญ่ศับกิริยานี้คือปชานาติเป็นเ r e สเ เป็นปัจจุบันในความเป็นปัจจุบันรู้ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราได้ที่ตั้งของกิจรู้แล้วได้นิมิตแล้วเนี่ยประชาชนติแปล ว, ว่ารู้ชัดรู้ชัดอยู่ตรงนี้รู้ชัดอัศส า, ามีติมีอิติตัตวนี้เพื่อรู้ชัดนี่เพื่อที่จะไปเปิดถึงการเคลื่อนไหวของกิริยาของรู้รู้ชัดว่าเข้าไปข้างในอัศสามีอัศส า, ามิเนี่ย เป็นเป็นฟิวเจอร์อาสสามิเนี่ยเป็นฟิวเจอร์เทนใช่ไหมฟิเวเจอร์แปลว่าเรารู้ว่ารู้ชัดว่ารู้ทั่วว่าเราเราจะหายใจออกอาสสามินแปลว่าเราจัหายใจออกจักจอจานมานากาศกไก่ที่เป็นคำแปลเครื่องหมายของฟิเวเจอร์ัฟิเวเจอร์นั่นแหละ ว, ว่าจากักคือมันยังไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นที่คังวาอัตสาสั่นโตดีคังอัตสามีติปัญชานาติหมายความว่าจิตรู้อยู่ตรงนิมิตนะันน่ะคือมันคอยจะรู้ว่าจะรู้ลมหายใจที่ไหลออกแต่ตรงนั้นมันจะต้องเป็นนิมิตที่ถูกต้องที่เป็นจริงคือที่ลมผ่านจริงจริงที่รู้สึกได้จริง แล้วก็เฝ้ารู้อยู่ตรงนั้นทันทีที่เฝ้ารู้อย่างถูกต้องไม่กี่คู่ลมหายใจความสงบเกิดทันทีความสงบเกิดทัน ท, ก ท, นทีก็ถ้ายกตัวอย่างเหมือนป้อมยามเอางี้เออเหมือนป้อมยามมันนั่งที่ป้อมยามมันไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ในป้อมยามใช่ไม้มนั่งในป้อมยามแล้วมีรถวิ่งมามันต้องรู้สองอย่างไหม มันต้องรู้ว่ามันนั่งในงป้อมยามด้วยมันต้องรู้รถด้วยต้องรู้อย่างนั้นไหมไม่ต้องเพราะมันนั่งอยู่ในป้อมยามมันรู้อย่างเดียวรู้รถที่เข้ารู้รถที่ออกรถเข้ามันก็รู้รถออกมันก็รู้เข้าใจไหมเออสำคัญตรงไหนสำคัญตรงนิมิต ท, ที่เราจะต้องมีเพราะส่วนมากนักภาวนาไม่มีนิมิตไม่มีนิมิตท่านท่านยังบอกว่านิมิตตัตงอัศสาปัาสา อนารัมณเบกจิตตสัจอาชาณโตจตัตโยธรมเบภาวนานุปลัลพปติแปล ว, ว่านิมิตลมหายใจออกลมหายใจเข้าไม่เป็นเรื่องเดียวกันอือาชาณโตจัตโยธรมเบผู้ที่ไม่รู้สามเรื่องนี้ภาวนานุปลัลปติจะไม่ได้ภาวนาเออจะไม่ได้ภาวนา อ้าต่อไปต่อไปแต่ว่าตรงนี้พอเราขยายความอย่างนี้พอเรามาพูดหารายละเอียดอย่างนี้มันก็ดูเหมือนเยอะเลยนะอะไรเรื่องลมหายใจเข้าลมหายใจออกนิดเดียวอะไรมันกระจัขนาดนี้แต่เพื่อให้ถูกต้องไะเรารู้รายละเอียดอย่างนี้ให้เข้าใจแล้วจะได้ทำเหตุมันให้ถูกทำเหตุมันให้ถูกพอพอฟังอย่างนี้แล้วเราสังเกตไหมว่าอะไรมันหายไปเลย อะไรหายไปเลยโวยคำบริกรรมสังเกตไหมเพราะอะไรเพราะถ้ามีคำบริกรรมทำได้ไหมทาได้ไหมไม่ได้มีคำบริกรรมจะทำไม่ได้คือทำสมาธิได้นะแต่จะทำเหตุอย่างนี้ไม่ได้ อันนี้ไม่ใช่ไ ป, ไปว่าไปตาหนิเรื่องเรื่องของเรื่องการบริกรรมนะแต่ถ้าเราใส่คำบริกรรมอะไรลงไปเนี่ยเราจะทำเหตุตรงเนี้ยให้มันถูกต้องไม่ได้จะให้ไปเป็นอนาปานัสติไม่ได้เลยถ้าไปท้องพองยบได้ไหมฮะได้เหมือนกันแต่มันไม่ มันมันได้ในลักษณะของกายนะได้ลักษณะของกายคือว่าจะเอาแบบว่ารู้ตัวทั่วพร้อมแบบแบบทั่วทวไปอ่ะได้แต่ถ้าให้ลึกไม่ได้ไม่ให้ลึกไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่พูดเรื่องเรื่องลมหายใจให้ฟังอ่ะว่าเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมันต้องการออกซิเจนใช่ไหมมันมีการหายใจข้างนอก และมีหันหายใจข้างในที่เกิดการสันดาบอ่ะเมื่อลมละเอียดจิตรู้ที่ละเอียดแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกจริงๆไม่ควรพูดตอนนี้แต่ว่าเอาพูดไว้ก็ได้รู้จักกังสะดานไหมรู้จักระคังไหมฮะรู้จักระคังใช่ไหมตบปึ้งตีทีเดียวปึ้งแต่มันยัง เนี่ยระคังปึ้งแต่ละลางแต่ละตีแต่ละตีที่ก็ตีอ่ปึง้งเหมืนอนกันเมื่อลมหายใจละเอียดและสั้นลงมีสติจิตรู้นักขณะนั้นเนี่ยรู้เขาจะเป็นยังไงอืมไม่ได้ทำอะไรหรอกเห็นไหมเห็นไหมบอย เห็นจุดสีน้ำเงินใช่ั้มใครไม่เห็นบ้่งดูที่จุดสีน้ำเงินรู้ทั้งแผ่นปะรู้ที่ดูที่จุดสีน้ำเงินแต่ก็เห็นทั้งแผ่นใช่ไหมเข้าใจไหมไอ้นี่คือใช้ตาจิตเหมือนกันจิตที่เป็นผู้รู้มีสติสัมปชัญญะเมื่อละเอียดเมื่อละเอียดเขาลมก็จะสั้นลง และมีจังหวะที่ลมมันหยุดลมหายใจนิจละเอียดแล้วก็หยุดในบางครั้งโดยที่เรามีสติเราไม่รู้สึกอึดอัดในการที่ลมก็หยุดจิตรู้ตัวนั้นมันจะรู้ยังไงมันก็จะเหมือนกางสดานเหมือนระกลางึงๆเหมือนที่เรารู้จุดเนียมันจะกระจายออกไปมีบางคนที่บอกว่าได้ยินเสียงหัวใจเต้นได้ยินเสียงอะไรต่างๆเคลื่อนไหวอะไรตางนั้นน่นเพราะรู้มันกระจายไปรู้มันกระจายไป ละเอียดขนาดนั้นแหละมันจึงเห็นจิตตสังขารอันนี้เราหลายคนในที่นั่งกันอยู่เนี่ยเห็นจิตตสังขารเห็นเจตนาเห็นสัญญาเห็นเวทนาเห็นเห็นแต่เป็นบางครั้งบางคราวที่เกิดมาที่เรานั่งๆันั่งเห็นโอ้นี่เห็นโอ้ตัวนี้เองที่อาจารย์บอกจิตตสังขารแล้วทาไมมันไม่เห็นอีกวะใช่ไหมเพราะเหตุที่จะเข้าไปอ่ะมันไม่ถูกเมื่อเหตุมันถูกมันก็ได้ แต่เหตุมันที่เข้าไปมันไม่ถูกวันนี้จึงย้ำเรื่องนิมิตจึงย้ำเรื่องนิมิตถ้านิมิตไม่ชัดเหตุมันไม่ได้พอเหตุมันไม่ได้มันก็ไปไม่ได้ต้องเข้าใจตรงนี้นะเอออันนี้อันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเวลาทำไปสักพักหนึ่งจะรู้ว่าอ้อย่างนี้นี่เองว่า ที่พูเ้เดว่าสภาพกายะาพิสังเวทีอัตราสีสัมมิติสิกติว่าพลว ม, มันสันแล้วเนี่ยรู้แก้งกองลมทั้งปวงรู้แจ้งกายทั้งปวงนั่นแหะมันจะรู้ได้อย่างไรมันไม่ใช่เราไปตั้งใจรู้หรือไม่ใช่ว่าเราจะไปกําหนดรู้มันมันรู้ของมันเองเหมือนกับที่เราใช้ตามองมาที่จุดสีน้ําเงินแต่เรารู้กระดาษหน้าขาวนี้ทั้งแผ่นใช่ไหมเห็นทั้งแผ่นใช่ไหมเออ และถ้าเราดูไปนานๆนะจุดสีดำเือนนี่ก็จะชัดขึ้นแผ่นเนี้ยก็จะชัดขึ้นด้วยเข้าใจไหมถ้าดูห้นานไปอีกอมันก็จะยิ่งชัดขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตาเรามันมันได้เข่านั้นเท่านั้นมันไม่เหมือนจิตนี่มันไม่เหมือนผู้รู้ไม่เหมือนสติสัมปชัญญะที่เราสร้างเขามาที่เราพัฒนาหรือที่เราภาวนาเขามา มันก็จะยิ่งคมยิ่งชัดยิ่งมากขึ้นยิ่งมากขึ้นวนท่านยังบอกอะไระสมาหิโตกรมมนิโยวิสุโทโธสมัยโตนี่คือว่าตั้งมั่นวิสุโทโธคือบริสุทธิ์กรร ม, มนิโยคือว่ามันคล่องมันเหมาะกับทุกงาน ไม่ว่าจะงานใหญ่งานเล็กงานน้อยงานอย่างานลึกงานละเอียดงานสูงงานต่ามันเหมาะเจาะไปหมดเลยที่ว่ากรรมนิโยถ้าเปรียบเป็นคำที่เขาใช้กันบ่อยๆคือว่าประสิทธิภาพศักยภาพและอะไร <Okay. S 1> สถียรภาพท่า น, นก็เปรียบมีพลังยิ่งกว่าปารมนูยิ่งกว่าอะไรกรรมกรรมตารังสีนะ อะไรก็ไม่รู้แต่มันมีคุณาภาพมากคุณาภาพมากเ mm. พราะนั้นการทำความเข้าใจในเรื่องของนิมิต ท, ที่ได้พูดได้ฟังวันนี้สำคัญมาก mm. ถ้าเราไม่มีตรงนี้ไม่รู้สามเรื่องนี้ภาวนาเราเดินไปไม่ได้หรอกเดินไปก็ตันพอเดินเดินไปก็เดี๋ยวก็กลับมาหาอะไร mm. กลับมาหาหนอมั้งกลับไป น่นมัง่งกลับไปสำนักพระเรามันเก่งนี่เรามันหลายสำนักนี่ใช่ไหมเดี๋ยวก็กลับไปโน่นมัง่งกลับไปนี่มัง่งกลับไปโน่นมัง่งพอกลับพอถ้าว่ากําลังตันตันอยู่เนี่ยท่านว่าเมื่ออ่าอาศะอ่สาสอเมื่อเมื่อเมื่อจิตคํานึงคือเพ่งอ๋ออาทิตาอาทิตานุทาวังือ อติตาโนทาวังจิตดังจิตที่เล่นไปอดีตว่าจิตที่เล่นไปอดีตแล้วก็ตกอยู่ข้างแขวนความฟุ้งซ่านคือมันไปปรุงอะ่ะมันไปปรุงอยู่กับอดีตไปปรุงอยู่กับอนาคตจิตที่เล่นไปสู่กับอดีตหรืออนาคตแล้วมันไปอยู่กับการปรุงแล้วมันจะเกิดความสบายนั่นน่ะกิเลสมันสมใจแล้วเราก็นั่งโอสบายเหมือนคนดูละครใช่ไหมเหมือนคนดูละครอะ่ะ ดูละครเนี่ยนั่งสมาธินี่ให้นั่งอย่างเงี้ยนั่งขาขวาทับกาซ้ายนั่งเรียบร้อยนั่งได้บรลังน่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันเมื่อยแต่นั่งดูละครมันนั่งเอียงกระเทเร่มันนั่งได้นะนั่งได้เป็นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็นั่งได้นะเอียงเอียง่างเงี้ยไอ้นั่งยกขานั่งเอียงซ้ายนั่งเอียงขวานั่งดีนะก็มันไม่ดีหรอกเพราะมันมันไม่ได้ดุลมันอะแต่มันนั่งได้นะเพราะอะไรเพราะมันเป็นการหลงไปกับตัณหา เหมือนกันแหละเหมือนกันกบภาวานาพรธรรมอย่างนี้เสร็จแล้วมันเกิดความฟุ้งซ่านแล้วเรารู้สึกอึดอัดและเราเบื่อใช่ไหมล้วก็หันไปหาทำอย่างเดิมอะ่ะพอเราอย่างเดิมเออดีสบายดีบางคนไหน้ให้นั่งอาณากับเขานี่แหละนั่งได้นานเนี้ยนั่งเป็นเจ้ามงแต่ไม่ได้อานาหรอกส่วนอ e ีจีพิโสส่วนในใจเพื่อให้ให้เขาเห็นว่าตัวเองนั่งได้นานแต่ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไร เพราะฉะนั้นจะต้องทำความเข้าใจเรื่องวันนี้ให้ชัดเรื่องของนิมิตเนี่ยแล้วเราจะภาวนาเองได้สบายภาวนาเองได้สบายเลยทีนี้เวลามันมีปัญหาก็คืออะไรมันมีปัญหาก็คือว่าเมื่อภาวนาทำเหตุตรงนี้ให้มันถูกต้องชัดเจนแล้วมันก็เกิดผลผลที่เกิดเป็นสภาวะต่างๆนั้นมันจะต้องไปพิจารณาว่าอะไรถูก แล้วเราก็อยู่กับผลนั้นเอาผลนั้นมาทําเป็นเหตุให้มันถูกต้องต่อไปเพราะนั้นคำถามที่จะเกิดขึ้นในการภาวนา Leah ที่ถูกต้องเนี่ยก็คืออะไรที่จะไปจับอย่างเช่นมันเกิดอย่างนี้เราต้องทํำยังไงเกิดอย่างนี้มันต้องทํำยังไงเกิดอย่างนี้มันต้องทํำยังไงเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านที่ท่านภาวนาได้แล้วเนี่ยท่านแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้ไม่ยากเพราะเมื่อทําเหตุถูกมันเกิดไม่ยากมันมีเรื่องเกิดไม่กี่เรื่องเท่านั้น มันมีเรื่องเกิดไม่มากมันเล็กมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดอ่ะเป็นเรื่องเดียวกันหมดอ่ะแต่อาจจะว่าอาจจะว่าพอเกิดกับเราเรียกอย่างหนึ่งใช่ไหมเกิดกับสุวรรณก็เรียกอย่างหนึ่งเกิดกับเปิ้ลก็เรียกอย่างหนึ่งเกิดกับเอกใชัก็เรียกอย่างหนึ่งเกิดกับต้อยก็เรียกอย่างหนึ่งเกิดกับแคทแคทก็เรียกอย่างหนึ่งไปตามความรู้สึกแต่จริงๆเป็นสภาวะตัวเดียวกันหมดเมื่อทําเหตุที่ถูกแล้วสภาวะที่ปรากฏนั้นเหมือนกันหมดมันก็ผลอะไรล่ะ ที่มันตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราจึงจําเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องของอาณาเนี่ยทีบอกครที่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่ครั้งว่าอัจฉาสันโตทีครั้งอัตสามิติปัญจนาติทีครั้งว่าปัตสันโตที่ครั้งปัตสามิติปัญจนาตินี่ที่หนึ่งทำเหตุตรงนี้ไงถูกมันก็จะเกิดเป็นรัตสงว่าปัตสันโตรัตสรอัตสามิติปัญจนาติรัตสงว่าปัตสันโตรัตสงปัตสามิติปัญจนาตินี่คือผลที่ปรากฏจากการทําเหตุที่หนึ่งถูกต้องและผลอันนี้ก็จะเป็น เหตุที่จะต้องทําให้ถูกต้องก็จะปรากฏผลเป็นที่เป็นอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าสปากะสภากายะปิสังเบตีอัตสิชามิติสิกติสภากายะปิสังเบติปัสสิามีติสิกติอันนี้เป็นผลขั้นที่สผลนี้ก็จะเป็นเหตุซึ่งจะต้องทําให้ถูกต้องก็จะปรากฏมาเป็นผลขั้นที่สี่เรียกว่าปัตสัมปยังกายะชังฆารังอัตสิทชามีติสิกติ ปัตสัมปญากายสรางการังปัตสสิชามีติสิกติอันนี้ขั้นที่สีนี้ต้องทำให้เป็นเหตุต้องทำให้เหตุได้ถูกต้องก็จะเกิดผลผลก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องทำให้เป็นเดเพราะนั้นการการที่จะต้องมีความรู้เรื่องนี้ก็หมายความว่าผลที่มันปรากฏกับเราอะไรเป็นอย่างไรอะไรควรจะเอาอะไรต่างๆนั่นคือสิ่งที่จะต้องเป็นคำถามเพราะบางทีเราไม่รู้ไงมันจึงจำเป็นจะต้องเรียนเพราะ เพราะว่าถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ฟังให้เข้าใจให้มีความรู้เราก็จะเดินไปไม่ได้ถ้าสมมติว่ามีสภาวะปรากฏขึ้นมาสามเรื่องสามสภาวะสี่สภาวะในขณะที่เรามีสติอยู่นะมีสติอยู่ในสมาธิอยู่นี้มันมีสภาวะปรากฏมาสามสาวะสี่สภาวะเราจะเอาอันไหนอ่ะถูกไหมเราจะเอาอันไหนล่ะอันไหนล่ะที่มันถูกต้อง หรือว่ามันเกิดมาอันเดียวอันนี้เราจะต้องทำต่ อ, อยังไงแต่พอเรามีความรู้อย่างนี้สบายคือที่แน่ๆเมื่อเรารู้ลมยาวรู้ลมยาวดังที่ว่านั้นทำให้ถูกต้องแล้วลมนั้นจะสั้นลงจิตก็จะละเอียดขึ้นกายก็จะนิ่งกายจะหยุดการเคลื่อนไหว จะไม่กระสับกระส่ายจิตก็จะไม่กระสับกระส่ายลมหายใจก็จะสั้นลงอย่างมีสติและเราไม่รู้สึกอึดอัด จ, จะเกิดความสบายแม้แต่ลมมันสั้นลงเองตามธรรมชาติของมันเราไม่ได้ไปกําหนดให้มันสั้นพอมันลมมันสั้นเองนั้นแล้วก็มีปิติ ม, ตมีปิติเกิดมีปราโมทย์เกิดในระหว่างนั้นเราจะทํำยังไงก็รู้ลมสั้นนั่นแหละรู้รู้ลมสั้นก็คือว่าตัวรู้ที่เข้าไปรู้ลมนั้นรู้ไม่นานไงเข้าใจปะ คือมันรู้ไม่นานตอนลมยาวนะตัวรู้มันรู้นานใช่ไหมพอลมสั้นตัวรู้นะมันรู้ไม่นานรู้ไม่นานรู้อยู่ตรงไหนรู้ตรงนิมิตนั่นแหละพอรู้ไม่นานลมนั้นก็อาจจะสั้นลงไปเรื่อยๆอาจจะสั้นลงไปเรื่อยๆหรืออาจจะยาวขึ้นหรืออาจจะสั้นลงอาจจะยาวขึ้นอาจจะสั้นลงแต่มันรู้อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งบางครั้งลมมันหยุดพอลมมันหยุดนั่นหมายความว่าอะไรรู้ยังอยู่ไหมมีสติอยู่ไหมมีสติอยู่อยู่ตรงไหนตรงนิมิต เข้าใจอย่างนี้นีเข้าใจไหมพอรู้ตรงนิมิตคือรู้ตรงนี้แล้วใช่ไหมลมหายใจยังไม่มากังวลไหมเอออาจจาะ ก, กังวลนะใหม่ใหม่เพราะเราไม่รู้นี่ลมหายใจยังไม่มาเราไม่ต้องไปกังวลหาลมหายใจพอเรากังวลหาลมหายใจปั๊บไอ้รู้ที่อยู่ที่นิมิตนี้เป็นไงสติเป็นไง หยาบหลุดออกมากายกระสรับกระสายจิตก็จะกระสรับกระสายก็จะต้องไปเริ่มใหม่ต้องไปเริ่มใหม่เข้าใจแวมงเข้าใจไห ม, ไหมต้องไปเริ่มใหม่ เ, ออเพราะฉะนั้นลมหายใจหยุดก็หยุดจิตรู้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนิมิตและรู้นั้นเขาก็จะขยายออกไปเป็นกลางสดานเขาขยายเราใครทำให้ขยายเขาขยายของเขา เองเป็นคุณชาติเป็นคุณสมบัติตมธรรมชาติของจิตผู้รู้ เ, ออเข้าใจไหมเคยเจอแล้วนี่ใช่ไหมเคยเจอแล้วนี่แบบเนี้ยแต่มันพอเจอแล้วมันหายไปไม่รู้จะไปต่ อ, อยังไงไม่รู้จะไปไหนพอพอพอรู้อย่างนี้เสร็จแล้วรู้กระจออกไปแล้วลมาลมาทำไงพอลมมาทำไงแคท ก็รู้ลมเอ อ, เ อ, อลมมาใจมาก็รู้ลมอมืต่อไปลมมันจะละเอียดละเอียดละเอียดเรื่องมันก็เลยมีความสําคัญทางภายในมากขึ้นทางภายในคืออะไรภายในคือจิตแหละทีน่นี่คือจิตแล้วมันจะมีปิติมีสุขขึ้นมาแล้วก็เห็นปิติดับเห็นสุขดับ คือมันเป็นความเป็นจริงอันเป็นภายในมันจะเกิดขึ้นมาตามกำลังของจิตผู้รู้ที่ทำเหตุมาอย่างถูกต้องอ่าตรงนี้มีคำถามไหมไม่มีไม่กล้าถามมาเลยแล้วรู้ลหมหายใจเดินเนี่ยยืนก็ได้นะฝึกอะ่ะฝึกเอานิมิตอะ่ะ ฝึกเพื่อเรียนรู้ให้มันมีความชัดเจนในเรื่องของนิมิตเราไปยืนเรียนก็ได้นะเข้าใจปะนั่งอย่างนั้นได้ทำไมเราจะยืนเรียนไม่ได้ถูกปะศึกษาให้มันชัดว่านิมิตดรงนี้ลมนงนี้ชัดเจนแล้วค่อยมานั่งก็ได้แต่เมื่อเมื่อเรารู้จักนิมิต ชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะง่ายขึ้นเยอะเราจะง่ายขึ้นเยอะความกวัดแกวงของจิตที่ไม่ชัดเจนในเรื่องของนิมิตเนี่ยมันมันเกิดง่ายมันเกิดง่ายและจะเกิดบ่อยแล้วเราก็จะเผลอไปเรื mm ่อ hmm. ยลองดูวันนี้ก่อนนอนเอาวิจริงจังไปเลยในเรื่องนี้ให้มันชัดเจนไปเลย mm hmm. เอา้าลองไปปฏิบัติกันดูนะ วันนี้ก็ออนนี้กาพระ